คำสอนสมเด็จพระสังฆราชว่าด้วยเรื่องของความสุขคำสอนที่57อันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตมีอยู่เป็นอันมากที่บังเกิดขึ้นโดยไม่รู้ไม่คิดมาก่อนแต่เมื่อเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดก็เกิดขึ้นจนได้ถ้าหากใครมองดูเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้น อย่างของเล่นๆไม่จริงจังก็ไม่เกิดทุบเดือดร้อนหรือจะเกิดบ้างก็เกิดอย่างเล่นๆถ้าจะหนีเหตุการณ์เสียบ้างก็เหมือนอย่างหนีไปเที่ยวเล่นหรือไปพักผ่อนเสียครั้งคราวหนึ่งคำสอนที่58 พื้นแผ่นดินแม่น้ำภูเขาที่มีอยู่ตามธรรมชาติคนเรามีปัญญาถมทำให้เป็นถนนขุดให้เป็นแม่น้ำลำคลองทำสะพานข้ามแม่น้ำใหญ่สร้างทำนบกั้นน้ำขุดอุโมงทะเลภูเขาเรียกว่าใช้กรรมปัจจุบันปรับปรุงธรรมชาติฉันใดความคลุกคราของชีวิตเพราะกรรมเก่าก็ฉันนั้น เหมือนความคลุกคะของแผ่นดินตามธรรมชาติคนเราสามารถประกอบกรรมปัจจุบันปรับปรุงสกัดกั้นกรรมเก่าเหมือนอย่างสร้างทำนกกั้นน้ำเป็นต้นเพราะคนเรามีปัญญาคำสอนที่59ทุกคนต้องการความสุขความสบายใจด้วยกันทั้งนั้น แต่ทุกคนก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการเพราะใจยังมีความปรารถนาต้องการหรือความโลภนี่แหละอยู่เป็นอันมากโดยที่ไม่พยายามทำให้ลดน้อยลงเห็นจะด้วยมิได้คิดให้ประจักษ์ในความจริงว่าความโลภคือเหตุใหญ่ประการหนึ่งซึ่งนำให้ทุกข์ให้เดือดร้อนให้ไม่มีความสุขความสบายใจกันอยู่อย่างมากทั่วไปในทุกวันนี้ แม้ทำสติพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ไม่ยากนักคำสอนที่60การเพ่งดูผู้อื่นทำให้ตนเองไม่เป็นสุขแต่การเพ่งดูใจตนเองทำให้เป็นสุขได้แม้กำลังโกรธมากหากเพ่งดูใจตนเอง ให้เห็นว่ากำลังโกรธมากความโกรธก็จะลดลงเมื่อความโกรธน้อยหากเพ่งดูใจตนเองให้เห็นว่ากำลังโกรธน้อยความโกรธก็จะหมดไปจึงกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะมีอารมณ์ใดก็ตามโลภหรือโกรธหรือหลงก็ตามหากเพ่งดูใจตนเองให้เห็นอารมณ์นั้นแล้วอารมณ์นั้นจะหมดไปได้ความสุขแทนที่ ทำให้มีใจสบายคำสอนที่61ความดิ้นรนเพื่อให้ได้สมดังความปรารถนาต้องการมิใช่ความสุขมิใช่ความสงบแต่เป็นความทุกข์ เป็นความร้อนเป็นความวุ่นวายมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ทั้งชีวิตไม่ได้พบความสุขความสงบเลยเพราะมัวปล่อยใจให้เป็นทาตของความโลภไม่รู้จักทาสติพิจารณาให้เห็นโทษของความโลภแล้วพยายามละเสียดับเสียคำสอนที่62ทุก์ แปลว่าสิ่งที่ดำรงคงอยู่ได้ยากแต่มีความหมายเป็นปฏิเสธว่าดำรงทนอยู่ไม่ได้ทีเดียวคือต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะทุกอย่างในโลกต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดการสิ่งที่เคยมีเคยเป็นต้องแปลเปลี่ยนไปเมื่อจิตใจรับไม่ได้กับความเปลี่ยนแปลงที่มีถึงจึงทำให้เกิดความไม่พอใจไม่สบายใจ ก็เลยกลายเป็นความทุกข์ตามความหมายสามัญคำว่าทุกข์ตามความหมายสามัญหมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจตรงข้ามกับความสุขฉะนั้นเมื่อพูดถึงความทุกข์จึงมักเข้าใจกันตามหลักสามัญดังกล่าวคำสอนที่63า ในภาษาไทยเมื่อพูดว่าทุกก็หมายกันว่าคือความไม่สบายใจแต่ในทางพระพุทธศาสนายังหมายถึงความคงทนที่อยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปด้วยในโลกนี้มีอะไรเล่าที่ตั้งคงที่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหลายตลอดจนโลกก็ไม่หยุดคงที่ ปีเดือนวันคืนก็ไม่หยุดคงที่ชีวิตก็ไม่หยุดคงที่ทุกๆคนเกิดมาแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยเป็นเด็กเล็กเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวโดยลาดับและก็ไม่หยุดเพียงเท่านี้ยังเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต คำสอนที่64เรื่องที่ความไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหมดจับเข้าหลักหนึ่งคือทุกเรื่องที่เป็นความไม่ดีทั้งหมดจับเข้าหลักสองคือสมุทัยเรื่องที่เป็นความสุขสงบเย็นทั้งหมดจับเข้าหลักที่สคือนิโรธเรื่องที่เป็นความดีทั้งหมดจับเข้าหลักสคือมร เมื่อคิดตั้งหลักใหญ่ไว้ดังนี้จะทำอะไรก็คิดตรวจดูให้ดีว่านี่เป็นสมุทัยก่อทุกข์หรือเป็นมรรคทางสุขสงบหัดคิดหัดหาเหตุผลดังนี้อยู่เสมอเป็นการหัดให้เกิดความเห็นชอบเมื่อเห็นชอบก็เชื่อว่าพบทางที่ถูกเข้าทางที่ถูกซึ่งใช้ได้กับทุกเรื่อง คำสอนที่65พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนให้เกิดสติขึ้นว่าความทุกนี้มีเพราะความรักมีรักมากก็เป็นทุกขมากมีรักน้อยก็เป็นทุกน้อยจนถึงไม่มีรักเลยจึงไม่ต้องเป็นทุกเลยแต่ตามวิสัยโลกจะต้องมีความรักมีบุคคลและสิ่งที่รัก ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้มีสติควบคุมใจมีให้ความรักมีอำนาจเหนือสติแต่ให้สติมีอำนาจควบคุมความรักให้ดำเนินในทางที่ถูกและให้มีความรู้เท่าทันว่าจะต้องพลัดพรากรักสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนเมื่อถึงคราวเช่นนั้นจะได้ระงับใจลงได้ คำสอนที่66อันความรักหรือที่รักเมื่อผู้ใดมีร้อยหนึ่งผู้นั้นก็มีทุกร้อยหนึ่งรักเก 80, 70, 60, 50เจสหสเป็นต้นจำนวนทุกก็มีเท่านั้นถึงแม้มีรักเพียงอย่างหนึ่งก็มีทุกข์อย่างหนึ่งต่อเมื่อไม่มีรักจึงจะไม่มีทุกขผู้หมดรักหมดทุกนั้น พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีโศกไม่มีทุลีใจไม่มีคับแค้นคำสอนที่67ทางออกจากทุกนั้นคือต้องรับรู้ความจริงต้องป้องกันไม่ให้ถลำลึกลงไปในทางแห่งทุกคือควบคุมตัณหา มิยอมให้ฉุดชักใจไปได้และถ้าถลำใจลงไปแล้วต้องพยายามถอนใจขึ้นให้จงได้ด้วยปัญญาเพราะเมื่อทุกเกิดขึ้นที่จิตใจก็ต้องดับจากจิตใจและจิตใจของทุกคนอาจสมมติกล่าวได้ว่าเป็นธรรมชาติกายสิทธิ์ไม่มีอะไรจะมาทำลายได้นอกจากจะยอมจนใจของตัวเองเท่านั้นถ้าทำใจให้เข้มแข็ง ก็จะเกิดพลังใจขึ้นจนสามารถต่อสู้ต่างๆขจัดขับไล่ตันหาออกไปเสียก่อนความทุกข์ต่างๆก็จะออกไปพร้อมกันคำสอนที่68ชีวิตในชาติหนึ่งหนึ่งกับทั้งสุขทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะกรรม ที่แต่ละตัวตนทำไว้ฉะนั้นตนเองจึงเป็นผู้สร้างชาติคือความเกิดและความสุขทุกของตนแก่ตนหรือผู้สร้างก็คือตนเองแต่ไม่ได้ไปสร้างใครอื่นเพราะใครอื่นนั้ น, น, นต่างก็เป็นผู้สร้างตนเองด้วยกันทั้งนั้นจึงไม่มีใครเป็นผู้สร้างให้ใครและเมื่อผู้สร้างคือตนสร้างให้เกิดก็เป็นผู้สร้างให้ตายด้วย ทำไมผู้สร้างคือตนเองจึงสร้างชีวิตที่เป็นทุกข์เช่นนี้เล่าปัญหานี้ตอบว่าสร้างขึ้นเพราะความโง่ไม่ฉลาดคือไม่รู้ว่าการสร้างนี้ก็คือสร้างทุกข์ขึ้นถ้าเป็นผู้รู้ฉลาดเต็มที่ก็จะไม่สร้างสิ่งที่เกิดมาต้องตาย คำสอนที่69การที่จะดูว่าอะไรดีหรือไม่ดีต้องดูให้ยืดยาวออกไปถึงปลายทางมิใช่ดูเพียงครึ่งครึ่งกลางๆและไม่หมัวพวงติดอยู่กับสุขทุกข์หรือความสนุกไม่สนุกในระยะสั้นๆเพราะจะทำให้ก้าวหน้าไปถึงเบื้องปลายไม่สำเร็จคนเราซึ่งเดินทางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ต้องหล่นเรียเสียหายอยู่ในระหว่างทางเป็นอันมากเพราะเหตุต่างๆดังเช่นที่เรียกว่าชิงสุกกรหามบ้างถืออิสระเสรีบ้างฉะนั้นการหัดเป็นคนดีมีเหตุผลที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกๆคนและจะเป็นคนมีเหตุผลก็เพราะสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้อง